เห็นได้ข่าวว่าที่วัดสะเกตเขาได้พระาธาตุมาอีกไหพระาธาตุท่นรัชกาลที่5ให้เจ้าพญาโยมราชปั้นสุขุมแกเป็นคนไปรับพระาธาตุที่ได้จากกบิลพัฒน์รัชกาลที่5ท่านให้มาส่วนลูกหลานเนี่ยเอามาถวายคืนไว้วัดสะเกตสมัยที่ไปรับพระาธาตุมาทีแรกกรมพยาดำรงท่านไปดู เป็นกระดูกธรรมดาหนึ่งไม่ได้เป็นแก้วเป็นเลยนี่ดูในรูปที่ลูกหลันเจ้าพยามาก็แปลสภาพหนมาอยู่เมืองไทยเลยแปลกเก่ง <c oughs> <c oughs> ก็แปลกนะร่างกายคนนะเปลี่ยนสภาพได้เส้นผมกระดูกอะไรเงี้ยเท่าชี้เท่ า, ทานผสมด้วย เนื้อหนังอะไรที่เผาไฟแปลเป็นแก้วได้เนีย่ยเส้นผมเวลาจะแปลเป็นพระธาตุมีหลายแบบแบบหนึ่งนะรวมตัวอัดเข้ามาผมเป็นกระจุกนะีอยอัดอๆๆ อ, อ, อเข้ามาจะแน่นๆแล้วก็หลอมหลอ ม, ลอมรวมอีกอย่างหนึ่งก็งอกออกจากเส้นผม เป็นเม็ดเมดงอกออกมามีหลายแบบกระดูกหลวงพ่อก็เคยเห็นของครูบาอาจารย์นะแปลกทีแรกมันคล้ายๆเยิมเยิมอใสๆออกมากนเยิมเยิมเมื่อก่อนมีหมอคนหนึ่งชื่อหมออวยหมออวยเกศสิงเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่เป็นหมอไม่เชื่อเรื่องพระธาตุมีคนให้พระธาตุหลวงปุ่มั่นมา แกดูนี้มันผลึกอะไรก็ไม่รู้เป็นคริสตันสงสัยแกไปบทนะใจเด็ดจริงๆเลยเขาไปบทแล้วไปส่องไปตรวจเซลล์ตรวจเลย <c oughs> บอาใหามันกระดูกจริงๆบกกระดูกคนธรรมดาก็แปรได้ถ้าอยู่นานๆแนละ้วมีแรงกดดันสูงแปรได้ที่ไตวันที่อะไรนี่เขาก็มีบริการเผาศพให้กลายเป็นพระธาตุเขาทำได้นะ น่าพระธาตุอยู่นี่เยอะเยะมาจากไต้หวันเปก็แปลกดีแต่ว่าในความรู้สึกหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่ค่อยตื่นเต้นกับพระธาตุมองพระธาตุก็เหมือนมองพระพุทธรูปองค์หนึ่งก็แค่สัญลักษณ์สัญลักษณ์อย่างพระพุทธรูปสร้างด้วยอะไรก็ได้สร้างด้วยดินก็เป็นพระ สร้างด้วยไม้ก็เป็นพระทำด้วยโลหะก็เป็นพระอยู่ที่เรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธาตุจะจริงจะปลอมไม่สำคัญหรอกอยู่ที่ใจเราเห็นพระธาตุแล้วเรานึกถึงท่านผู้ทรงคุณงามความดีคิดถึงพระพุทธเจ้าที่ถึงเราก็ได้บุญอยู่แล้วได้บุญั้นไม่ไม่ใช่ประเด็นหลักอะไรสำหรับนักปฏิบัติ ฉันมหาบวก็ว่าอย่างนี้แหละนะท่านเลยบอกว่าพระธาตุหลวงปุมั่นที่ท่านมีนะั้นไม่เป็นพระธาตุ <c oughs> เป็นกระดูอยู่งั้นแหละพอให้คนอื่นไปแล้วก็เป็นเพราะท่านไม่สนใจท่านเป็นนักปฏิบัติหลวงพ่อก็ไม่สนใจเนระื่องพวกนะี้ตัวสำคัญก็คือเราล้างกิเลสได้ไหม ถ้าเราล้างกิเลสได้นะเราค่อยพัฒนาไปถ้าคนที่หมดกิเลสแล้วเป็นพระธาตุนะเราก็พ้นานางเราด้วยวันหนึ่งเราก็เป็นของเราเองเนาะแต่จะได้ดูเปล่าไม่รู้ <laughs> แต่อย่างเส้นผมมันเป็นก่อนเดือดได้ใช่ภ <laughs> าวนาสําคัญที่สุดเลยเรื่องอื่นไม่สําคัญนะลักษณะอันหนึ่งของพระโสดาบันนะไม่เชื่อมองคลตื่นข่าว ใครเขว่าตรงนั้นดีตรงนี้เฮงเอะไรเฉยๆอะไรๆก็สู้ธรรมะไม่ได้ธรรมะล้างกิเลสได้ของอื่นล้างกิเลสไม่ได้ตัวนี้สําคัญต่าหากกิเลสและเป็นศัตรูของเราเผาผลาญจิตใจของผู้คนทั้งโลกเลจิตใจของสัตว์ทั้งโลกเลยทำให้มีความทุกข์มากมายตัวเองทุกข์ไม่พอก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นต่อไปอ ก, กิเลสทั้งนั้นเลย งั้นถ้าเราภาวนาล้างกิเลสได้ก็ดีที่สุดพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีต่อสู้กิเลสมาตั้งมากมายนะสอนมานานแล้วหลายพันปีแล้วไม่น่าเชื่อว่าคำสอนของท่านยังอยู่จนถึงยุคของเรานี้ได้อย่างเมืองไทยนะเมื่อสองพันปีก่อนเป็นไงไม่มีใครรู้เลยนะทําไมเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะเกือบสามพันปีแล้วยังรู้กันละเอียดเลย รู้กระทั้งว่าท่านเคยไปฉันอะไรนะรู้จักสุกรมัตทวะั้ยสุกรมัตทวะหวานหมูไม่ใช่หมูหวานนะหวานสำหรับหมูนะไม่ใช่เนื้อสัตว์รูปร่างคล้ายๆหัวหอมหอมใหญ่ผิวเปลือกมนะันมีพิษ แต่เขาเชื่อนะว่าเนื้อไหนมันเป็นยาอายุวัฒนะนายจุนทาได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าชนิดผ่านก็หายาอายุวัฒนะมาทําให้ฉันให้สวยถูกทำไม่ดีก็เถือนช้าพิษเนี่เข้าในเนื้อใครรู้จักลูกเนียงมั้งลูกเนียงลูกเนียงนะถ้าตกกระแทกแรงๆนะพิษเข้าไปในเนื้อเหมือนกันมีพิษเหมือนกันแต่ไม่แรงไม่แรงมาก ก็สตล์นั้นพระพุทธเจ้านิพพานไปตั้งนานนะเรื่องราวของท่านยังอยู่คําสอนของท่านยังอยู่เพราะมันมีประโยชน์ที่จะรู้อย่างเรื่องของปู่พวกเราพวกเรารู้ไหมเรื่องปู่ยญาติยายเราหลวงพ่อก็ไม่รู้เพรู้ไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ไหมเคยเห็นตอนเราเล็กๆ เ, เราก็ไม่รู้จักแต่ เ, เรารู้เรื่องราวของพระอานนท์เยอะกว่าอีก เรื่องราวของพระโมคคลาสารีบุตรท่านเหล่านี้เป็นคนดีคนก็จดจำสืบทอดกันมาสิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติก็เป็นความดีเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูธรรมะที่ท่านสอนก็เป็นของดีของวิเศษกลุยทางให้เราเดินตามไปพอเรามาหัดภาวนาเดินตามร่องรอยที่ท่านทิ้งไว้ให้ร่องรอยอยังไม่หายไปแต่นานๆก็หายตอนนี้ร่องรอย ของพระพุทธเจ้าร่องรอยของพระละหันสาวกอะไรพวกนี้ยังมีร่องรอยให้เราเดินตามนะนับถือพระลรหันสมัยพุทธกาลอาชัวว่าพระลระหันนะมาถึงยุคเราพูดยากแล้วใครเป็นใครจะรู้นะระหันไปหันมางั้เราศึกษานะพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรนะ พระอรหันต์สมัยพุทธกาลท่านสอนอะไร น, นี่ชัวร์กว่าชัวร์แน่ๆอย่างพระนนท่านก็สอนไว้เยอะสารีบุตรท่านก็สอนไว้มากสององค์นี้สอนเยอะมีคำสอนดีๆมากมายเลยถ้าเราศึกษาแล้วเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวเราต้องลงมือทาด้วยลงมือปฏิบัติการปฏิบัติรมในพระพุทธศาสนาเขาหนีไม่พ้นเรื่อง ศีลสิษยาจิตศิษยาปัญญาศิกยาหลวงพ่อไม่ได้พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาพูดเรื่องศีลสิษยาจิตสิกยาปัญญาศิกขานี่คือสิ่งที่เราต้องทําหน้าที่เราคือเรียนหน้าที่ของชาวพุทธคือศึกษาศึกษาให้เกิดศีลศึกษาให้จิตตั้งมั่นศึกษาให้เอาจิตตั้งมั่นแล้วมาเดินปัญญาให้เห็นความจริงของรูปนามการเดินปัญญาต้องเห็นความจริงของรูปนาม ถ้าไม่เห็นความจริงคือความเป็นไตลรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานงันะ้นบางทีพูดกันนะสอนวิปัสสนาสอนวิปัสสนาพูดกันอย่างนี้ทั่วไปหมดเลยใครๆก็สอนวิปัสสนานะสอนพุทโธพิจรารณาไกรเลยบอกวิปัสสนาไม่เป็นเป็นสมถนะสอนให้เพ่งท้องของยุบสมถนะความจริงคําสอนที่ดีๆนะับปฏิบัติที่ดีๆมีอยู่ทั่วๆไปแล้ว แต่เวลาเรียนาบางที่เราเรียนไม่ดีเรียนชุยชุยไปหนเรียนแบบเรียนไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจให้ดีไม่แย็บไข่นักปฏิบัติดีๆก็มีทั่วๆไปนะคำสอนดีๆก็มีอยู่ทั่วไปแต่ถ้าเรียนแล้วจับหลักไม่แม่นนะมัวแล้วนั่งเฉียงกันว่าคนไหนทํำวิปัสสนาคนไหนไม่ได้ทําใครๆก็พูดเรื่องวิปัสสนาใครๆก็พูดเรื่องว่าเจริญสติปัฏฐาน ความจริงสติปัฏฐานกับวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแทนที่กันไม่ได้ในสติปัฏฐา น, นมีทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐานมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันเง้นเวลาพระพุทธเจ้าสอนชาวกุรุพวกกุรูเนี่ยฉลาดมากมีบารมีสูงท่านสอนสติปัฏฐานท่านไม่ต้องสอนอะไรมากเลยท่านรวม ทัสมถาทานะทังมิปัสสนานั้มาอยู่ในสติปัฏฐานแล้วสอนพวกกุรุพวกกุรุภาวนาเป็นนะไม่ต้องแยกละเอียดพวกนี้ปัญญาพอกล้าท่านสอนธรรมะลึกซึ้งคือสติปัฏฐานให้ไม่ได้สอนคนอื่นสอนพวกกุรุก่อนนะพวกเดลีมนะีปัสนากรรมฐานะไม่เหมือนสมถนะสมถะเนี่ยทำไปเพื่อให้จิต มีความสุขมีความสงบมีความดีในจิตเราฟุ้งซ่านเราทาสมถะเพื่อให้จิตสงบจิตเรามีความทุกข์ทำสมถะเพื่อให้หายทุกข์จะได้มีความสุขจิตไม่ดีเช่นมีราคะทำสมถะกรรมฐานเพื่อจะข่มราคะ mm hmm. เช่นพิจารณาปฏิคูณอสุภะก็ข่มราคะมีโทสะนี้มันไม่ดี ทำสมะำถะกรรมฐานเจริญเมตตานะก็หายจากโทสะนะนี่เรื่องของสมะถะกรรมฐานนะทำให้มีความสุขทำให้สงบทำให้ดีถ้าเราปฏิบัติทำเราก็มุ่งเอาสุขเอาสงบเอาดีก็ไปทำสมถะนะแล้วที่ทำนออกไปสมถะทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่กระทั่งที่ว่าทำวิปัสสนาวิปัสสนานะส่วนใหญ่ก็ติดอยู่ที่สมถะ ไม่รู้หลักของวิปัสนาจริงๆทําวิปัสนาไม่ได้อย่างคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูณาสุภาไม่ใช่วิปัสนาเป็นเรื่องของสมถะนี่หลวงปเทศก็สอนท่านก็สอนเหมือนกันครูบาอาจารย์สอนมาดีสอนมาถูกถ้าจะเป็นวิปัสนาวิปัสนาทําไปเพื่ออะไรไม่ได้ทําเพื่อความดีความสุขความสงบ มีปรัสนาทําไปเพื่อความรู้แจ้งเพื่อให้เห็นจริงให้เห็นจริงในธาตุในขันในรูปในนามในกายในใจนี้มีวิปัสสนามุ่งมาตรงนี้เพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามขันห้ากายใจอรพวกนี้น 5, ขันธาตุอายตนะขันก็ขันห้าธาตุก็ธาตุสิบแปาตุอายตนะหก เป็นการแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆวนบางทีก็แยกในแง่มุมของขันหาที่ก็แยกในแง่มุมของอายตนะ6ที่ก็แยกในแง่มุมของธาตุสิธาตุก็นะ แ, แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปแล้วพบว่าไม่มีตัวเราเมีวิปัสสนาทำไปนะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน เห็นมันไม่มีตัวตนเพราะมันไม่เที่ยงเห็นมันไม่มีตัวตนเพราะมันทนอยู่ไม่ได้เห็นว่ามิไม่มีตัวตนเพราะมันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจคือเห็นว่ามันเป็นอนิจจังนั้นก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วเพราะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรเป็นตัวตนฐาวบเห็นทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ความบีบคั้นความทนอยู่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็สลายตัวไป ก็ไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรเห็นอนัตตาคือเห็นว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างความสุขความทุกข์เนี่ยสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ไล่ก็ไม่ไปอย่างความสุขความทุกข์กุศลอกุศลก็เหมือนกันสั่งให้จิตเป็นกุศลมันก็ไม่เป็นหรอกกุศลเกิดแล้วสั่งให้มันอยู่ถาวรมันก็ไม่อยู่หรอกกิเลสจะเกิดห้ามมันมันก็จะเกิด เกิดแล้วไล่มันมันยังไม่ยอมไปไม่อยู่ในอำนาจเนื่องไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบังคับไม่ได้จริงงนการที่เราเห็นไตรลักษณ์นั่นมันจะล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนการเห็นไตรลักษณ์ไม่ต้องเห็นทั้งสามอย่างไม่ต้องเห็นทั้งไตรเห็นอันใดอันหนึ่งก็ล้างความเห็นผิดได้เห็นว่าไม่เที่ยงก็แสดงว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงนะไม่มีอะไรที่เป็นอมตะเห็นว่าเป็นทุกข์ คือทนอยู่ไม่ได้ก็สอนให้เห็นอีกไม่มีอะไรเป็นอมตาอีกนะเห็นว่าบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนะี่ไม่ใช่ตัวเราเราสั่งไม่ไดนะ้ก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้นี่วิปัสสนากรรมฐานมันะมุ่งมาตรงนีนะ้มุ่งมาล้างความเห็นผิดเบื้องต้นจะเห็นผิดว่ามีตัวมีตนคนไหนล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนได้เพราะว่าเห็นรูปนามขันห้าเนี่ยแสดงใจลักตลอดเวลา บางคนภาวนานะก็เห็นแต่มันเกิดดับไปเรื่อยแต่ตอนอริยมรรคเกิดนะเห็นอนาัตตาก็มีเห็นนี้ก็มีนะไม่ใช่ว่าตอนภาวนาดูอะไรแล้วตอนเกิดมาเกิดผลต้องไปเข้าช่องเดิมไม่จําเป็นเลยเป็นเรื่องแปลกแล้วแต่จิตมันจะยอมให้กับธรรมะบทไหนบางคนจิตยอมให้อนิจจังบางคนจิตยอมให้ทุกขงังบางคนจิตยอมให้อนัตตาเห็นนั้นเห็นขันห้าแสดงอนิจจังบางคนยอมแล้วนี่ ไม่มีตัวเราแล้วมันเกิดแล้วดับหมดเลยเห็นขันห้าแสดงทุกขังมันถูกบีบคั้นตลอดมันทนอยู่ไม่ได้ก็ไม่ใช่ตัวเราถาวรนี่ไม่ใช่ของดีของวิเศษเห็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่เราเราสั่งไม่ได้สิ่งที่สั่งไม่ได้สิ่งที่ควบคุมไม่ได้เรไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนแค่เห็นอย่างนี้เห็นนาแดนหนึ่งเห็นาแดนหนึ่งกลังความเห็นผิดว่ามีตัวมีตน ถ้าภาวนาต่อไปอีกก็ล้างความเห็นผิดที่ละเอียดลึกซึ้งกันด้วยอีกจะเห็นว่าขันนั้นเป็นตัวสุขหรือขันนําความสุขมาใหนะ้เห็นแล้วว่าขันไม่ใช่ตัวเราแต่เห็นว่าขันยังนําความสุขมาให้ได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเหมือนรถยนต์นะยืมเข้ามาใช้แล้วก็รถยนต์นําความสุขมาให้ไม่อยากคืนเจ้าของไปเช่าบ้านเขาอยู่ไม่ใช่บ้านเรารู้อยู่ว่าไม่ใช่บ้านเราแต่อยู่นาน ผูก พ, พันรักใครไม่อยากคืนเจ้าของอยากอยู่นานๆนนหันไปหันมาอยู่มานานแล้ว ม, มันไม่เคยมาสนใจนะเขาสงสารเราให้เรายืมอยู่ไม่ต้องเก็บค่าเช่าด้วยอยู่มานานเราคิดว่าครอบครองโดยก็เรียกะลรโดยปรลปัก <c oughs> พวกเรานี่แหละพวกครอบครองโดยปรลปักเรายืมขันห้ามาใช้นะะร่างกายนี้เป็นวัตถุใช่ไหมทุกวันนี้กินข้าวกินอะไรก็วัตถุเท่านั้นเลย ยืมวัตถุของโลกมาใช้นะแต่ครอบครองไม่ไม่คืนน่ะหวงรักที่สุดเลยไม่อยอมปล่อยที่ไม่ปล่อยเพราะว่าคิดว่าขันห้ามันนาความสุขมาให้ได้หรืออายตนะนาความสุขมาให้ได้มีตาก็ได้เห็นของสวยก็มีความสุขมีหูก็ได้ฟังของเพราะๆของดีๆได้ฟังคำยกย่องสรรเสริญ น, นำความสุขมาให้มีจมูกก็ได้ดมอะไรหอมๆก็นาความสุขมาให้ มีลิ้นก็ได้กินของอร่อยนำความสุขมาให้มีร่างกายก็ได้สัมผัสอะไรที่มันดีๆนุ่มนวลอ่ อ, อนโยนนะสบายไม่ร้อนไปไม่หนาวไปมีความสุขนะเวลาหนาวหนาได้ผิงไฟมีความสุขไหมมนะร่างกายกระทบมีความสุขนะเวลาร้อนๆผิงไฟเราไม่ยอมนึกถึงนะตอนที่ความทุกข์เกิดเราลืมเร็วนะแต่ความสุขเกิดนะ่ะเราอะไรอาวรคิดแล้วคิดอีกอย่างนี้ มีคนเขาเคยวิจารณ์ผู้หญิงอ่ะเขาศึกษาผู้หญิงตอนคลอดลูกนะตอนคลอดลูกนี่เกลียดสามีมากเลย mm hmm. ไม่อยากมีลูกอีกแล้วละ่ะเข็ดไม่นานก็มีอีกแล้วมันลืมลืมว่ามันทุกข์นะลืมหรเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมชทุกข์ไหมเพราะหายป่วยแล้วลืมนะแต่เวลาความสุขหายไปคิดถึงนานรู้สึกไหมความสุขสมัยไหนสมัยไหนยังคิดถึงเราชอบลืม สังสารวัฏมันน่ากลัวเงี้ยมันหลอกให้เราดูแต่ความสุขนะหลอกให้เราดูแต่ด้านบวกของธาตุขันธ์ของอายตนะขันธาตุอายตนะดูว่าเป็นของดีของวิเศษมันไม่ไม่ให้เราจําความทุกข์ที่เกิดขึ้นทําไม่รู้ไม่ชี้จริงๆก็คือไม่อยากเห็นนะไม่อยากนึกถึงนะเราไม่ค่อยอยากนึกถึงทําไม่รู้ไม่ชี้ไปอย่างในประวัติศาสตร์เราสังเกตดู ในประวัติศาสตร์นะเรามีเรื่องราวอะไรที่เราเรียนได้ละเอียดยิบเลยนะพ่อขุนรามไปชนช้างกับขุนสามชนเลยก็ยังเรียนอยู่เลยเรียนหาอะไรยังไม่รู้เลยนะขุนสามชนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะอยู่เมืองชอตอยู่ไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยยังเรียนนะเพราะว่าเรียนล้สนองอีกโกนะ้เรียนแต่ตอนเสียดินแดนให้ฝรั่งเศสอไม่ค่อยอยากพูดถึงเลย เวลาสูญเสียนะ่ะไม่ค่อยพูดถึงเวลาทุกข์นะพยายามลืมในเวลาสุขเวลาดีนะ่ะนึกแล้วนึกอีกนะสนองกิเลสงั้นเวลาเราคิดถึงขันธาตุยัตตนาเนะ่คิดถึงทางบวกไปเรื่อยใจไม่วรักอย่างเดียวเลยชอบนะเจ็บป่วยขึ้นมาโอ้โทรมานทุรนทุไลยพอหายเจ็บหายป่วยก็ขนองเหมือนเดิมบางคนไม่สบายก่อนจะไม่สบายชอบสุบุหรี่เยอะ สูบุหรี่ไปเรยหมอห้ามก็ไม่ฟังนะพอป่วยหนักก็เลิกสูบไปพอหายดีแล้วสูบอีกละอย่างเงี้ยนะกลับมาอีกและลืมลืมความทุกข์สางสารวัตรมันน่ากลัวตัวที่มันปิดบังความทุกขนะ์น่ากลัวที่สุดเลยเรามาเปิดหูเปิดตาของเรานะเปิดใจของเรามาเรียนรู้ขันให้เห็นนะมันทุกข์จริงๆนะไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่นึกเลยนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ กินก็ทุกนะไม่กินก็ทุกหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกนี่แต่ทุกล้วนๆเหยดูของจริงเข้าไปเราอย่าละเลยนะโมแต่คิดแต่ถึงความสุขละเลยที่จะรู้ความจริงของขันของธาตุของอายตนะมีแต่ทุกล้วนๆเลยทุกมากทุกน้อยเท่านั้นเองช่วงไหนทุกน้อยเราก็โมเมว่าช่วงนี้มีความสุข ถ้าเรามีสติให้ดีเราจะเห็นร่างกายนี้มีทุกข์ตลอดเลยหลองพ้อถามไหนพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครที่ยังไม่ขยับตัวเลยไหมมีไหมปวดเมื่อยขยับนิดนิดหน่นอยหน่อยนะยังไม่ได้ขยับมากยัลุกขึ้นเต้นโกโก้อะไรก็คงไม่ได้ก็เมื่อยก็ขยับมันเมื่อยขึ้นมาก็ขยับนะอัตโนมัติเลยเลยรู้สึกว่านั่งมานานแล้วยังไม่เมื่อยเลย ใครนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยใครเก่าไว้แล้วบ้างมีคนไหนเก่าบ้างเยอะเลยเห็นไหมทําไมเก่าอะ่ะมีความสุขก็เลยเก่าเล่นจริงมีความทุกข์คันทุกข์ไหมแต่เราไม่รู้สึกนลยบำบัดทุกข์ไปอัตโนมัติเราทําไม่รู้ไม่ชี้มันอัตโนมัติไปหมดเลยบำบัดทุกข์ไปด้วยเมื่อยก็ขยับไปขยับมานะนานๆเ น, น, นี่ยเรจะรู้สึกทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ แรงๆทีหนึ่งนั่งนานเหน็บกินแล้วก็ลุกขึ้นเดินอะไรอย่างี้แต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายเนี้เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่ทุกๆขณะเลยหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์นะไม่ใช่หายใจหาความสุขเราลองหายใจออกไปเรื่อยๆอย่าหายใจเข้าลองหายใจออกเรื่อยๆลองดูสิจะทุกข์ไม่ทุกข์นะลองเรียนของจริงดูล้วหายใจไปจะหายใจเข้านะ หลวงพ่อมีวิธีอ้างหายใจเข้าได้เดี๋ยวตายมีวิธีเดี๋ยวทดสอบว่าหายใจออกอยู่เปล่านะให้ร้องอะไรกับวัสดุธรรอย่างภาษานี่มันร้องกันว่าโอมเก่งนะโอมอะไรเงี้ยถ้าหยุดเสียงก็คือหยุดหายใจออกแล้วลมไม่ออกหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์นะทุกข์มากๆก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ มิแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเรากินอาหารก็เพื่อแก้ทุกข์นะขับถ่ายก็เพื่อแก้ทุกข์นะต้องหยุดกินกินไปเยอะแล้วต้องหยุดกินก็เพื่อแก้ทุกข์กินไปก็ทุกข์อีกนะกินมากๆก็ทุกข์อีกงั้นความจริงแล้วความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาเลยในร่างกายนี้ทางจิตใจก็มีความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลานะอะไรทําให้จิตใจมีความทุกข์พบ เกิดขึ้นเมื่อไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นมานั้นพบก็คือการดิ้นรนทํางานของจิตจิตเราดิ้นรนทํางานอยู่ตลอดเวลาอะไรทําให้เกิดพบตัณหาทําให้เกิดพบความอยากความอยากเกิดขึ้นในจิตเราตลอดเวลาเลยหัดสังเกตดูให้ดีที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอยากกินเราก็ยัดเข้าปากไปแล้วไม่ทันรู้ว่าอยากยอยากนอนเราหลบไปกลิ้งแนละ้วบิดไปบิดมาเราไม่ทันรู้เลยว่ามันอยาก เราเลยไม่ทันเห็นทุกนะเราเรียบสนองความอยากไปอย่างรวดเร็วพยายามสนองความอยากให้เร็วที่สุดเลยเพื่อจะไม่ทุกข์ถ้าสนองความอยากไม่ได้จะทุกข์ใครเคยอยากได้อะไรที่แพงๆเกินฐานะบ้างมีไหมต้องเก็บเงินไปซื้อมีความสุขไหมตอนเก็บเงินไม่สุขนะมีความอยากก็มีความทุกข์นะแต่ถ้าอยากกินทอฟฟี่สักเม็ดหนึ่งใช่ซื้อได้ทันทีไปซื้อมาเก็บไว้เป็นขวดเลยบางคน อยากกินเมื่อไหร่ก็ใส่ปากไปเรื่อยอยากกินทัฟฟี่ไม่เห็นจะทุกข์ตรงไหนเลยมีแต่อร่อยนึกออกไหมเราไม่เคยเห็นริเดทของตัณหานะงั้นร่างกายก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ในตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วจิตใจก็มีตัณหาเนี่ยบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นนะทั้งวันทั้งคืนหนักบ้างเบาบางนะตัณหาเกิดขึ้นมานะถ้าอยากมากๆก็ทุกข์มากๆ ถ้าอยากน้อยๆก็ทุกน้อยๆรู้สึกไหมตัวนี้ใครรู้สึกบ้างถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกอันนี้พูดโดยตรร ก, กวิทยาในความเป็นจริงเราไม่มีหรอกที่ไม่อยากมีอยากมากอยากน้อยทำไมเราพัดทำไมเราหยิบพัดทำไมเราพัดใช่ไหมพัดกันตั้งหลายคนนึกออกไหมมันทุกข์นะก็พยายามแก้ทุกข์นะมันร้อนแก้ทุกข์ หรือมันร้อนอยากให้หายร้อนใช่ไหมก็อยากพัดเห็นคนข้างๆก็มีพัดอยากมีกับเขาบ้างแต่เราไม่มีอยากมีดูเขาอิจฉาเขานะใจก็มีความทุกข์นะความอยากเกิดเมื่อไหร่ใจมีความทุกข์เมื่อนั้นแล้วความอยากเกิดทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวก็อยากดูรูปเดี๋ยวก็อยากฟังเสียงเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากกระทบสัมผัสทางกายเดี๋ยวอยากคิดอยากนึกอยากปุงอยากแต่ง ใครเคยอยากคิดแล้วคิดไม่ออกนึกออกไหมบางทีอยากคิด้คนนี้ชื่ออะไรคิดไม่ออกตอนที่คิดไม่ออกมีความสุขไหมเนะี่ยมีความอยากนะจะมีความทุกข์โดยตรากการเรารู้ว่ามีความอยากก็ทุกข์ไม่อยากก็ไม่ทุกข์แต่เราไม่เคยหรอกไม่อยากะนะเพียงแต่อยากบางทีละเอียดอยากบางทีตัวเล็กจนเรามองไม่ออกว่าอยากอยู่นะอย่างเวลามืดมืดนะอ่านหนังสืออยู่แล้วมันโปรเจคเตอร์ play, แล้วมื ด, ม, ดมืดลงไปนะ เราเพ่งเพ่งนะเรายังไม่ไม่รู้สึกมากถึงขนาดต้องไปเปิดไฟอ่านหนังสือเพ่งเพ่งเพ่ง<ๆ>เครียดนะเครียดแต่ไม่รู้อ่ะมันเครียดนิดๆมองไม่มอ ง, มอ ง, มองไม่ออกให้นคนทั่วๆไปเนี่ยพวกเรานี่ยแหละนะทุกข์อยู่แต่ไม่รู้ว่าทุกข์อ่ะทุกข์เราไม่รู้ว่าทุกข์ทุกข์กเกิดขึ้นในกายตลอดเวลานานๆเห็นทีหนึ่งทุกข์เกิดขึ้นในใจตลอดเวลานะนานๆเห็นที น, นึง มันก็เลยหลงเปลินคิดว่าร่างกายเนี่ยมีความสุขเยอะมีทุกน้อยจิตใจก็มีความสุขเยอะมีทุกน้อยถ้าหัดรู้หัดดูหัดสังเกตเนะี่ยจะเห็นในทุกเรื่องนั้นเลยร่างกายนั่งอยู่กับทุกข์รู้สึกอยู่ในกายสิอย่าลืมร่างกายรู้สึกอยู่ในกายแล้วจะเห็นมนะ่ามีแต่ทุกข์นะเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็คันนะเนี่ยเกากันยุกยุกยิกยิกนะหลวงพ่อเทศเดี๋ยวลืมคันเลยไม่ได้เกานะ นั้นมันมีไหมคันมีความทุกข์ม่เกิดตลอดเวลาจิตใจก็เต็มไปด้วยความอยากจิตใจอยากตลอดเวลานะพระราหารันท่านละความอยากได้แล้วละตัณหาได้สนิทแล้วเพราะงั้นพระราหารันเนี่ยไม่มีความบีบคั้นทางใจไม่มีทุกข์ทางใจเหลือแต่ทุกข์ทางร่างกาย ทุกทางร่างกายของท่านก็เหมือนพวกเราทุกนี่นะเหมือนกันเปรียบเลยเราทุกยังไงท่านก็ทุกแบบเดียวกันแต่ว่าทุกของเราเนี่ยถ้าทุกทางกายแรงๆขึ้นมานะมันทุกเข้าไปที่ใจด้วยของท่านเนี่ยตัณหาไม่มีท่านไม่ทุกแล้วทางใจเหมือ น, นพระพุทธเจ้าท่านสอนนะว่าพวกเราถ้าเราภาวนาดีๆปฏิบัติดีได้เต็มที่แล้วก็มันเหลือทุกันเดียวคือทุกทางร่างกายพระละหันก็หิวข้าว เพราะอาหารอดข้าวก็หิวเหมือนกันอดน้ําก็กระหายเหมือนกันแต่ใจไม่ทุรนทุรายผิดกันตรงนี้เท่านั้นนะงั้นเรามาเรียนรู้นะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจอย่าลืมมันทุกคนสามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามของธาตุของขันของอายตนะได้ทั้งสิน้นทุกคนเรียนได้เราลาเลยที่จะรู้ไม่ใช่รู้ไม่ได้ นะร่างกายเรามีอยู่เราคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายบ่อยๆดูร่างกายไปเรื่อยอย่าลืมมันถ้าไม่ลืมมันเดี๋ยวก็ต้องเห็นแล้วมันเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ตลอดเวลาเลยทุกข์ไปจนเอื่อมละอาเลยเอื่อมราแล้วก็หนีไม่ได้เพราะต้องอยู่กับมันนะในที่สุดใจก็ยอมรับความจริงกายนี้ทุกข์จริงๆนะพอใจยอมรับความจริงได้ใจไม่ดิ้นรนใจไม่ดิ้นรนใจเข้าสู่ความเป็นกลางต่อความทุกข์ทางร่างกาย ทางจิตใจก็เหมือนกันเราก็ค่อยรู้ไปปัญหาเกิดความอยากเกิดทีไรอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสอยากคิดอยากนึกอยากปรุงอยากแต่งทุกครั้งที่ความอยากเกิดความทุกข์ก็เกิดเห็นเลยมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเพราะอยากตลอดเวลาเลยอยากอันโน้นอยากอันนี้ไปเรื่อยๆรืมีแต่ทุกข์ล้วนล้วนจิตใจนี้ดูไปเรื่อยนี่สุดใจก็เห็นเลยความอยากเกิดขึ้นความยึดถือเกิดขึ้นความดิ้นรนของจิตเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะ ดูไปดูไปจิตใจไม่ใช่ของดีของวิเศษนะจิตว่าปล่อยวางจิตไม่ยึดถือจิตมันยังเห็นร่างกายเราเห็นบ่อยๆเพราะร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ตลอดเวลาเลยเ ห, นะห็ น, นบ่อยๆนะยมันก็ไม่ยึดถือกายเห็นจิตมันเป็นทุกข์บ่อยๆนะสุดท้ายก็ไม่ยึดถือจิตหนีก็ไม่ได้นะก็ต้องอยู่กับมันไปแต่หนีไม่ได้อยู่กับมันไปเรื่อยๆต่อไปก็เป็นกลางกับมันจนะเป็นกลางกับมันแท้จริงนะปัญญาแจ่มแจ้งเลยลว่าขันห้านี้ทุกข์ล้วนๆนะ จิตก็ปล่อยวางความยึดถือในขันห้าก็เหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายแล้วความทุกข์ทางใจไม่มีเพราะจิตปล่อยวางความยึดไปแล้วถ้าจิตมันทุกข์ทางใจได้มันยังอาศัยว่ามันยังยึดถือในขันห้าอยู่ถ้าไม่ยึดถือมันไม่ทุกข์ขันห้าก็ทุกข์ส่วนของขันห้าจิตไม่ทุกข์ด้วยดังนั้นถ้าเรามาหัดภาวนานะปัญญาเกิดมาเป็นลําดับลําดับคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอย่าลืมมันเบื้องต้นก็จะเห็นว่า กายกับใจไม่ใช่ตัวเราเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเบื้องปลายจะเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆแล้วจิตไม่ยึดถือตรงที่เห็นว่าไม่มีเรานั้นเป็นโสดาได้ขั้นต้นล้ตรงที่เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆจบกิจในทางพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งแล้วฝึกไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกายอย่าลืมใจถ้าลืมกายลืมใจก็คือทําวิปัสสนาไม่ได้ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ ถ้าเห็นความจริงของกายของใจได้ก็คลายความยึดถือไปนะก็พ้นทุกไปนะเอาเท่านี้ก็พอเนาะไปทานข้าวไป